เอาน่ายอย่าซสีเรียกเรื่องความพอใจของชาวประมงนักอุตสาหกรรมผู้มั่งคั่งจากทางเหนือรู้สึกทนไม่ได้ ที่พบชาวประมงของทางใต้นอนเอกขเนกศุกกล้องอยู่ข้างเรือของเขาเขาถามว่าทำไมคุณไม่ออกไปจับปลาละ่ะชาวประมงตอบว่าเพราะผมจับปลาเพียงพอแล้วสำหรับวันนี้เขาถามต่อทำไมคุณไม่จับปลามากกว่าที่ต้องการละ่ะชาวประมงย้อนว่าแล้วผมจะเอาไปทำอะไรละ่ะ เขาตอบอ้อคุณก็จะได้เงินทองมากขึ้นเหมือนนั้นคุณก็จะสามารถซื้อเครื่องยนต์สำหรับเรือของคุณแล้วคุณก็จะไปจับปลาที่น้ำลึกๆได้และจับได้มากขึ้นอีกและคุณก็จะซื้อแหในล่อนได้สิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณจับปลาได้มากขึ้นและได้เงินเพิ่มขึ้นอีกไม่ใช่คุณก็จะมีเงินพอที่จะเป็นเจ้าของเรือสองล หรืออาจจะมีเรือเป็นฝูงเลยเก็ได้แล้วคุณก็จะเป็นคนที่ร่ำรวยอย่างผมชาวประมงถามว่าแล้วผมจะต้องทำอย่างไรต่อไปเขาตอบคุณก็จะสามารถนั่งลงและชื่นชมกับชีวิตได้ชาวประมงที่พออกพอใจในสิ่งที่ตนมีกล่าวว่าแล้วคุณคิดว่า ผมกำลังทำอะไรอยู่ขณะนี้ล่ะก็ตอนนี้ผมกำลังนอนอย่างมีความสุขคนเราอาจหลงลืมไขวคว้าทุกอย่างโดยคิดว่าจะเป็นทางไปหาความสุขแต่สุดท้ายความสุขอยู่ใกล้ๆแค่ที่ใจเรารู้จักพอก็เท่านั้นเอง